อมันมีอย่างคล้ายๆเหมือนถ้าเป็นตัวอย่างคนนะคล้ายๆแบบถ้าเราคอยสะกดรอยตามใครนะเราต้องแอ บ, บให้เขาออกไปก่อนนะคล้ายๆไม่ให้เขารู้สึกตัวให้เขาออกไปก่อนอย่างพวกสามีภรรยาการเวลาเขาต้องจับผิดกันใช่ไหมอแอ บ, บให้สามีออกนอกมานไปก่อนภรรยาก็แอ บ, บตามไปเป็นนักสืบตามไปนะตามไปก็จนกระทํามันรู้เห็นสาเหตุที่แท้จริงนะ เห็นเหตุการณ์จริงๆนะไม่ได้ไปคอยจ้องดูดอยู่ถ้าเราไปคอยจ้องดูดอยู่นะเขาก็เรียกว่าเขาก็ไม่กล้าทำอะไรนอกลู่นอกทางหรอกนะแต่ถ้าเราลองสังเกตตามดูเขาไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นความจริงการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเราไม่คอยจ้องนะไม่คอยจ้องถ้าเราคอยจ้องดูมากเกินไปมันก็จะเป็นเหมือนที่หลวงพ่อเทียนท่านก็จะมักเปรียบเหมือนแมวกับหนูเนาะถ้าแมวไปคอยจ้องอยู่หน้า ดูที่หนูมันจะออกนี่ไม่มีหนูตัวไหนเากล้าออกหรอกน ะ, ะเขาก็ไม่ออกประตูนั้นแน่นอนนะถ้ามันมีรูเดียวนี่มันก็จะหาทางอื่นที่มันจะออกแทนนะถ้าแมวเราไปจ้องอยู่ตรงนั้นหรือว่าเอาสติไปคอยจ้องอยู่กับกายอยู่กับใจที่มันเคลื่อนมันไหวนะไม่มีตุหนูตัวไหนที่แท้จริงหรอกออกมามันก็จะหาทางอื่นออกแทนแต่ถ้าแมวตัวนั้นไม่สนใจเลยนะ หนูก็ออกมาเพ่นพ่านปั่นปลวนในบ้านของเรานะมาทำร้ายจิตใจของเราได้มากมายแต่ถ้าแมวตัวนั้นก็อยู่แถวแถวประตูนน้นและนะอยู่แถวประตูที่หนูมันจะออกหน้าและนะแต่ทำเป็นไม่สนใจทำเป็นนอนดับบ้างทำเป็นเล่นนั้นเล่นนี้บ้างนะพอหนูมันออกมาจิตใจมันรู้เท่าทันนะมันก็ต ะ, ตะคุบหนูได้ทันที มือนคล้ายๆเหมือนเรายกมือเคลื่อนไหวไปเคลื่อนไวหวมันไม่ได้สนใจจิตใจแต่พอความคิดเกิดขึ้นเรารู้เท่าทันความคิดเนี่ยมันคล้ายๆตะคุบหนูได้ทันทีนะไม่ได้สนใจแต่พอมันเกิดขึ้นเรารู้ทันทันทีให้เราเวลาปฏิบัติธรรมก็ให้ปฏิบัติสบายๆวันนี้เนาะการปฏิบัติสบายๆก็คือการที่เราเหมือนทําเล่นๆนะทําเล่ น, ๆ, นะแ ๆ, นะลนๆแต่รู้จริงๆนะทําเล่นๆแต่รู้จริงๆ ใหม่ๆปฏิบัติธรรมอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจทำแบบไหนน้อทำเล่นๆทำเล่นๆก็คือการวางใจให้มันสบายวางใจให้มันพอดีไม่เครียดเกินไปถ้าเราปฏิบัติธรรมแบบเคร่งเคียดนะมันมีแต่จะหนักขึ้นเรื่อยๆภาระมันจะหนักขึ้นภาระในที่นี้ก็คือจิตใจมันหนักขึ้นนะจิตใจมันจะหนักขึ้นเพราะว่าบางทีเราบางคนวางจิตวางใจไม่ถูกปฏิบัติธรรมก็จะเอาอย่างเดียวนะ ฉันต้องเอาฟรรษานี้ต้องดูรูปดู้นามให้ได้เนี้ยมันจะเอาแล้วนะนะฟัรซ่านี้จะต้องมันรู้ทาให้ได้นะฟรรษานี้จะต้องให้มีสติเต็มที่ให้ได้นี่คือปฏิบัติแบบเพื่อที่จะเอาถ้าเราปฏิบัติเพื่อที่จะเอานะสิ่งที่เราจะจะได้จริงก็คือความทุกข์ตอนไหนที่เราคิดจะเอาอะไรต่างๆเนี่ยเราทุกข์แล้วนะยิ่งถ้าเราไม่รู้จักวางสิ่งที่เราอยากจะได้อยากจะเอาเนี่ย เราก็ยิ่ทุกข์หนักขึ้นไปเรื่อยเหมือนคนที่หิวอ่ะเหมือนคนที่หิวเมื่อมันยังไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการทักทีเนี่ยมันก็จะหิวอยู่ต่ําไปเมื่อไร่เราจะได้กินเมื่อไรเราจะได้กินเมื่อไรเราจะอิ่มเมื่อไรเราจะอิ่มเนี่ยมันก็ทุกข์อยู่เรื่อยๆเลยนะทุกข์ไปตลอดพรรษาก็ได้ทุกข์ไปจนกระทั่งใกล้ตายก็ได้เพราะว่ามันไม่รู้จักพอใจทักทีแต่การเจริญสตินี่เรียกว่ามันพอใจนะมันพอใจในสิ่งที่ ที่ตัวเองมียินดีนในสิ่งที่ตัวเองได้เช่นบางทีมันมีความคิดเกิดขึ้นเราพอใจที่มันมีความคิดนะแต่เราไม่ไปปุ่มกับความคิดนะเราพอใจก็คืออ๋อมันคิดแล้วเรารู้เท่าทันนี่มีสติแล้วไม่โกรธความคิดนะไม่งูงหงิดกับความคิดนักปฏิบัติธรรมใหม่ๆนี้จะมีอาการที่เรียกว่าชอบมีปฏิกิริยาในทางที่ไม่ดีกับความคิด คือมีความคิดเกิดขึ้นเราก็จะรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกไม่สบายใจที่มันคิดทําไมไมันต้องคิดฟุ้งซ่านด้วยเราปฏิบัติธรรมเ ร, เราอยากจะได้ความสงบนะเราอยากจะให้มีความสงบอยากให้มีความสุขแตพ่พอมันมีความคิดเกิดขึ้นเรารู้สึกไม่ชอบอันนี้คือปฏิกิริยาที่ไม่ค่อยดีเหมือนกับร่างกายของเราอะไรนะร่างกายของเราเม็ดเลดขาวหรือว่าภูมิต้านทานภายในร่างกายของเรา บางทีมันมีเชื้อโรคเข้ามาเช่นอย่างไข้ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่สองพันเก้าเนี่ยมันเป็นเชื้อโรคที่ร่างกายเราไม่รู้จักพอมันมีเชื้อโรคนี้เข้ามาในร่างกายของเรานะภูมิต้านทานหรือว่าเมเดเลือดาวของเรานี้มันจะปั่นป่วนมากเพราะว่ามันไม่รู้จักพอมันไม่รู้จักมันก็จะหาวิธีจัดการหาวิธีกําจัดให้มันให้เชื้อโรคนี้มันออกไปจากร่างกายให้มันได้ แต่ยิ่งมันไปจัดการมากเท่าไหร่นะในความที่มันไม่รู้จักเขาอย่างแท้จริงน่ะมันก็เลยไปทำนั่นทํานี่จนกระทั่งร่างกายของเรานี่แหละมันเจ็บไข้ได้ป่วยนีจริงๆนะเพราะที่จริงร่างกายของทุกคนมันมีเชื้อโรคอยู่แล้วแต่พอภูมิต้านทานมันไปจัดการเชื้อโรคที่มันไม่รู้จักน่ะนะมันก็เลยไปจัดการจนกระทั่งร่างกายเราป่วนป่วนจนกระทั่งมันป่วยนะป่วนจนกระทั่งมันป่วยจิตใจของเราก็เหมือนกันนะจิตใจของเราดูวัาสติบางที ถ้ามันไม่เกิดสติจริ ง, รงมันจะไปจัดการกับความคิดก็ดีจัดการกับกิเลสอะไรต่างๆก็ดีนะมันจัดการไม่ถูกพอจัดการไม่ถูกเนี่ยจิตใจเราก็ได้ป่วนจิตใจก็ได้ป่วยนะเป็นทุกข์นะการที่มีสติเป็นการไม่ได้ว่าเป็นการจัดการนะแต่เป็นการสติคือมีหน้าที่รู้เท่าทันพอรู้เท่าทันแล้วนะเป็นหน้าที่ของสัพปัญจะสัมปชัญญะนะคือความรู้สึกตัวนี่ เขาจะไปจัดสรรนะจัดสรรให้ให้เกิดความไม่ทุกข์ในจิตใจของเราเองนะพอมันรู้เท่าทันมันจะไม่ทุกข์อ๋อรู้เท่าทันว่ามันมีความคิดเกิดขึ้นมันก็ไม่ทุกข์กับความคิดเพราะว่าเราไม่ได้ไปอยู่กับความคิดรู้เท่าทันว่ามันมีความโกรธเกิดขึ้นเราก็ไม่ไปอยู่กับความโกรธไม่ไปพอใจไม่ไปไม่พอใจกับความโกรธที่เกิดขึ้นหรือบางทีมันไม่มีความคิดไม่มี อารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นหรือบางที่ไม่อาจจะเกิดแต่มันไม่เด่นเราก็รู้ทันกายของเราที่มันเคลื่อนไหวเป็นแปะกาวไปเรื่อยๆนะนันเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นพื้นๆอ่าเป็นพื้นๆไม่ยินดีไม่ยินยร้ายรู้ๆไปเรื่อยๆนะรู้การเคลื่อนไหวแต่ขอให้รู้ให้เป็นจังหวะสักหน่อยนะใหม่ๆก็อาจจะเป็นเทคนิคสักหน่อยให้รู้การเคลื่อนไหวให้เป็นจังหวะเป็นครั้งเป็นครั้งหลวงพ่อเทียนน่าจะเน้น จะเป็นประจำก็คือให้เราเคลื่อนไหวเป็นจังหวะเป็นครั้งหลวงพ่อขงเขียนก็จะบอกว่าให้รู้เป็นเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเช่นรู้รู้รู้รู้ก็คือให้เป็นครั้งเป็นครั้งเป็นครั้งไปไม่ใช่แบบรู้ยาวแบบต่อเนื่องนะเวลาเราเคลื่อนมือก็ดีก็ให้เคลื่อนแบบมีจังหวะเคลื่อนมีจังหวะหยุด เพื่อเราจะได้รู้ทันจังหวะที่มันเคลื่อนแล้วก็รู้ครั้งหนึ่งจังหวะที่มันหยุดเราก็รู้ครั้งหนึ่งเคลื่อนใหม่เราก็รู้อีกครั้งหนึ่นะมันก็เป็นจังหวะที่รู้ได้ต่อเนื่องไม่ต้องกลัวว่ามันจะรู้น้อยเกินไปนะรู้เคลื่อนรู้หยุดนี้ก็รู้มากแั้นะแต่ถ้าเราฝึกไปเรื่อยบางทีมันก็จะรู้มากไปกว่านั้นอีกรู้ทั้งเคลื่อนรู้ทั้งหยุดบางทีรู้ทั้งกระพริบตาอ้าปากหายใจเข้าหายใจออก รู้เท่าทันใจที่มันเริ่มผุดขึ้นจะมาจะคิดแล้วนะมันก็จะเห็นนะอันนั้นก็เป็นเรื่องของสตินะไม่ใช่เรื่องของเราเป็นเรื่องของสติที่เขาจะเกิดขึ้นเองตัวไหนมันเด่นสติเขาจะคอยตามรู้สิ่งเหล่านั้นมันจะรู้เองของเขาเองนะไม่ต้องไปไม่ต้องไปกงังวลไม่ใช่หน้าที่ของเราแต่หน้าที่ของเราก็คือคอยมันที่จะรู้ตัวอยู่บ่อยๆรู้ตัวกับเอียบวยที่มันใหญ่ๆหยับหยาบไปก่อนนะ อิทิบาวดที่มันเล็กๆย่อยๆให้มันเกิดขึ้นแล้วให้สติมันมันอยากจะรู้มันก็รู้ของเขาเองไม่ต้องไปกังวลของเราหน้าที่ของเราก็คือตามรู้กายที่เคลื่อนไหวไปรู้เท่าทันใจที่มันเคอคิดนึกไปบ้างเนี่ยนะใหม่ๆก็ทําแค่สองอย่างนี่แหละนะหรือบางคนพอบอกว่าอพอให้รู้ทันใจแล้วมันไม่เคอมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยทันหรอกพอบอกให้รู้ทันใจรู้ทันความคิด มันกลายเป็นผู้คิดนะกลายเป็นผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งเลยก็ก็ยังไม่ต้องสนใจจิตใจตัวเองก่อนก็ได้นะสนใจแค่กายที่เคลื่อนไหวอย่างเดียวก็พอก็ไม่ไม่ผิดสนใจแค่กายที่เคลื่อนไหวอย่างเดียวก็ได้นะสนใจพอมันคิดแค่รู้ทันว่ามันเผลอไปคิดแล้วก็กลับมารู้สึกตัวกับกายที่เคลื่อนไหวแค่นี้ก่อนก็ได้นะฝึกแบบนี้เพื่อให้จิตมันมีกําลังก่อนฝึกให้จิตมันคล้ายมันไม่ ไม่หลงตามความคิดมากเกินไปก็เหมาะสาหรับบางคนแต่สหรับบางคนซึ่งเรียกว่าจิตใจเข้มแข็งขึ้นสักหน่อยรู้เท่าทันความคิดแล้วไม่ไปอยู่กับความคิดนะก็สามารถตามรู้ความคิดได้ตามรู้อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเป็นอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์ก็ดีเราก็รู้เท่าทันสิ่งเหล่านั้นได้เหมือนกันนะให้พวกเราลองลองประเมินที่ตัวเองนะอย่าเอาที่ ครูบาอาจารย์ย่าเอาที่คนนั้นคนนี้มาบอกให้เราต้องทำตามทั้งหมดแต่เราต้องทำต้องดูต้องรู้จักตัวเองให้ดีก่อนรู้จักตัวเองให้ดีว่าตอนนี้เราพร้อมที่จะทำแบบไหนเราก็ทำแบบนั้นตอนนี้เราทาเราจะิดนสติแบบไหนสติมันเกิดขึ้นมามากแล้วก็จะเดินแบบนั้นของเรานะมันไม่มีสูตรตายตัวสำหรับทุกคนแต่มันเป็นสูตรเฉพาะตัวสาหรับพวกเราทุกคนนะนะ พระสูตรอาจจะตัดไว้นะอาจจะตัดไว้มีสติดูกายมีสติดูเวทนามีสติดูจิตมีสติดูธรรมแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้บอกนะว่าเวลาเช้าคนจะมีสติดูกายเวลาสายคนจะมีสติดูเวทนาอะไรต่างๆไม่ได้บอกนะไม่ได้บอกว่าเวลานั้นเวลานี้สำหรับคนนั้นคนนี้แต่ท่านให้บอกเป็นเรียกว่าเป็นโครงเป็นโครงสร้างไว้ก่อนว่า มีกายมีเวทนามีจิตมีธรรมนี่แหละนะมีอยู่สอย่างพิสูจน์ทั้งหลายก็พึงตั้งกายตรงนำลงสติมั่นนะมีสติตั้งมั่นอยู่ที่ฐานไหนก็ได้นะอันนี้คือท่านตัดเป็นรวมแต่เราก็ต้องมาพิจารณาที่ตัวเราเองว่าเราจะเป็นผู้มีสติในการดูกายเป็นผู้มีสติในการดูเวทนาเป็นผู้มีสติในการดูจิตเป็นผู้มีสติในการดูธรรมที่ฐานไหน เป็นหลักไว้อันนั้นก็เป็นเรื่องของเรานะแต่ที่จริงการที่ดูอย่างเดียวไว้เป็นหลักไม่ใช่ว่ามันจะไม่รู้อย่างอื่นนะอ่าถ้ามีสติเกิดขึ้นจริงๆมันก็จะรู้ทุกอย่างแล้วแหละกายเวทนาจิตธรรมมันเกิดขึ้นพร้อมกันอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าตัวไหนมันเด่นในตอนนั้นสติที่แท้จริงเขาก็จะไปรู้ตัวนั้นนะมีสติที่แท้จริงก็จะรู้ตอนนั้นเหมือนคล้ายๆในห้องเนี้ยเราจะอยู่กัน หกสิบเจ็ดสิบชีวิตนะถ้ามีใครเขาแสดงตัวเด่นขึ้นมาอย่างตอนนี้อจะมาจะเด่นกว่เพื่อนเช่นมีเสียงเกิดขึ้นนะมันก็จะเด่นที่ตัวนี้นะถ้าเกิดคนอื่นพูดขึ้นมาแทรกดังๆเขาก็จะเด่นขึ้นไปตัวนั้นสติเขาก็จะไปรู้ตัวนั้นนะสติก็อาจจะคล้า ย, ายๆหูของเราแหละนะพอมีเสียงอะไรเกิดขึ้นที่มันเด่นขึ้นมาหูมันก็จะคอยไปรู้ทันนะรู้ทันเสียงที่มันเด่นเกิดขึ้นนะ ถ้ามีกิ่งไม้หักขึ้นมาเราก็รู้ทันกิ่งไม้ที่มันหักทัติของเราก็เหมือนกันนะทัติที่มันฝึกดีแล้วมันจะไม่คอยจดจ้องจดจ่ออยู่ที่ใดที่เดียวเพียงอย่างเดียวแต่ตัวไหนที่มันเด่นมันก็จะรู้ทันตัวที่มันเด่นเกิดขึ้นตอนนั้นนะพอความเด่นตัวนั้นมันหายไปมันก็จะกลับมาอยู่ฐานที่เป็นกลางๆเช่นกายที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นเป็นกลางไว้มันก็จะคอยรู้ทันไว้เรื่อยๆรื่ติมันก็จะไม่ขาดนะทัติมันก็จะไม่ขาด แต่สติถ้ามันจะขาดก็คือว่ามันดงไปนึกคิดปรุงแต่งไปดองอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเนี่ยสติมันขาดไปเรื่อยๆนะก็อยากให้พวกเราค่อยๆสังเกตกายสังเกตใจตัวเองไปเรื่อยๆปฏิบัติภาวนาไปอย่าเพิ่งหวังผลเนาะไม่ต้องหวังถึงมรรคผลนิพพานในปัจจุบันในชาตินี้ก็ได้แต่ให้เป็นจุดหมายนะจุดหมายนะความหวังกับจุดหมายนี่มันต่างกันนะอ่ เราตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้แต่เราเรีว่าเราไม่ไปบีบคั้นตัวเองไม่บีบคั้นตัวเองว่าจะต้องปฏิบัติให้มันได้แต่จะไปให้มันได้หรือเปล่าเนี่ยมันอยู่ที่การเดินเหมือเรามีจุดหมายในการเดินมีจุดหมายในการเดินทางของชีวิตของเราแต่เราก็ค่อยๆเดินไปไม่ต้องไปคิดถึงว่าเมื่อไหร่มันจะถึงเมื่อไหร่มันจะถึงถ้าเราไปคิดถึงแบบนั้นนะขนะที่เราเดินเราก็จะทุกข์นะ ขณะที่เราเดินเราก็อย่าทุกข์มันจะก่อนจะมาเคยขึ้นผูกระดึงนะไม่เคยขึ้นสักทีขึ้นครั้งแรกนี่มันทรมานมากทรมานยังไงเพราะมันใจมันคอยจะคิดว่าเมื่อไหร่มันจะถึงไงตอนไหนมันจะถึงสักทีโดยมาสักทำแฮกก็แล้วทำนั่นทำนี่ก็แล้วไม่ถึงสักทีไงสี่ห้าขีดหัวก็ไม่ถึงสักทีมันเหนื่อยใจมันเหนื่อยแต่พอขึ้นครั้งที่สองเลยมันดูนะมันดูเพราะมันเคยขึ้นแล้วว่า มันยังอีกไกลล่ละเราก็มีหน้าที่เพียงแค่เราก็เดินขึ้นไปเรื่อยเดี๋ยวสักพักมันก็ถึงเองนะเหมือนลูกหาดที่เขาขึ้นฟูกดึงวันละรอบสองรอบนะเขาก็ขึ้นแบบเขาก็เหนื่อยนะเขาก็เหนื่อยกายแต่ดูท่าทางหน้าตาเขาเขาไม่เหนื่อยใจเพราะเขาดูว่าเขาเพียงแค่ก้าวเดินขึ้นไปเรื่อยทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวเดี๋ยวก็ถึงเองนะแม้ไหล่แม้บ่าของเขาจะหนักกว่าเราหลายเท่า แต่เขาก็ <c oughs> ค่อยๆเดิน <c oughs> ขึ้นไปนะใจเขาไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่นะอาจจะไปทุกข์เรื่องอื่นก็ได้แต่ไม่ไปทุกข์ว่ามันจะไปถึงเมื่อไหร่นะแต่สำหรับคนนักเดินทางใหม่ๆนี่จะคอยทุกข์ว่าเมื่อไหร่มันจะถึงเมื่อไหร่มันจะถึงอพอไปคิดแบบนั้นมันก็หนักด้วยทั้งเหนื่อยทั้งหนักนะนักปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะนักปฏิบัติธรรมก็อย่าไปคิดถึงว่าเมื่อไหร่มันจะรู้รูปรู้นามเมื่อไหร่มันจะได้มรรคผลนิพพานทันที ถ้าเราไปคิดแบบนั้นปฏิบัติธรรมการปฏิบัติของเราก็จะเคร่งเคียดการปฏิบัติธรรมของเราก็จะมีแต่ความทุกข์เป็นเพื่อนไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราปฏิบัติแบบสบายๆรู้ได้เท่าไหร่ก็รู้มันไปแต่เพียงแต่ว่ามีความเพียรอยู่เรื่อยๆมันคอยรู้อยู่เรื่อยๆนะการปฏิบัติธรรมเราก็จะมีความสุขเป็นเป็นเพื่อนนะเป็นความสุขที่ได้รู้รู้จักตัวเองมากขึ้นเป็นความสุขที่พอใจว่าเออมีสติ ครั้งหนึ่งเนะี่ยดีแล้วมีมีความสุขที่ว่าเรียกว่ารู้เท่าทันจิตตัวเองครั้งหนึ่งก็ดีแล้วมันจะรู้ท่าแบบนี้ไปเรื่อยนะถ้ายิ่งใจของเราปลอดโปรง่งใจของเราสบายมากเท่าไหร่สติก็จะยิ่งเกิดขึ้นมากเท่านั้นนะสติจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อจิตใจของเราเป็นกุศลเท่านั้นจิตใจของเราถ้าเป็นอกุศล น, นะจิตใจที่มันเศร้าหมองมันจะไม่เกิดสติได้เลยนะ สติจะเกิดขึ้นต่อเมื่อจิตใจมันเบามันสบายนะไม่จะมีอาการกิเลสเกิดขึ้นในทางอกัสดนแต่มันจะมีใจที่มันเบาใจที่มันสบายมันตั้งอยู่อีกฐานหนึ่งนะฐานของตัวที่เป็นผู้รู้มันจะเป็นอีกฐานหนึ่งฐานของตัวที่เป็นกิเลสมันก็จะเป็นอีกฐานหนึ่งนะมันจะรู้เท่าทีกันนะเช่นสมมติว่าถ้าเปรียบเทียบเหมือนคล้ายกิเลสมันกับตัวศูนย์ เป็นเลขศูนย์แบบนี้เลขศูนย์มันก็เป็นอีกฐานหนึ่งแต่สติสมมติถ้าเป็นเลขหนึ่งมันก็อยู่อีกฐานหนึ่งนะมันก็จะสลับกันไปเรื่อยเหมือนระบบการคำนวณของคอมพิวเตอร์มันก็จะมีรหัสศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งอะไรต่างๆสลับกันไปเรื่อยอ่ามันมีแค่เลขสองหลักเลขศูนย์กับเลขหนึ่งเท่านั้นแหละแต่มันเปลี่ยนแปลงเป็นข้อมูลในต่างๆได้มากมายนะ สติของเราก็เหมือนกันสติของเรามันก็จะคอยแทรกไปเรื่อยๆนะไม่ให้ความเลขศูนย์มันต่อเนื่องไปเรื่อยๆถ้าเลขศูนย์มันต่อเนื่องไปเรื่อยๆเป็นมันจะไปกลายเป็นเออร์เดอร์นะอืมอ่ามันเครื่องมันก็จะเครื่องมันก็เรียกว่ามันเสริมประสิทธิภาพไปสติของเราก็เหมือนกันมันก็คอยแทรกคอยแทรกกิเลสที่มันมีความหลงเป็นพื้นสําหรับคนที่ไม่ได้ฝึกนะถ้าสติเราไปฝึกเข้าไปนะมันก็จะคอยแทรก ให้มนรู้เท่าทันกิเลสได้มากขึ้ น, นเรื่อยๆเนอะให้พวกเราได้ตั้งใจปฏิบัติทำกันนะพรรษาหนึ่งปีหนึ่งหรือตลอดชีวิตหนึ่งนี่ให้เป็นเป้าหมายในการปฏิบัติทำไปเถอะนะปฏิบัติทำไปเรื่อยแต่ผลจะเกิดขึ้นตอนไหนนะเป็นอีกเรื่องหนึ่งอตัตมาคิดว่าถ้าเราตั้งใจปฏิบัติจริงๆผลการปฏิบัติไม่ช้าหรอกบางทีแค่เจวัน10วันนี้ก็เกิดผลแล้วนะ แต่เราก็ไม่ต้องไปคาดหวังว่ามันจะเกิดตอนไหนบางทีเราปฏิบัติธรรมไปแบบซื่อๆไปเลยนะไม่รู้ว่าปฏิบัติธรรมแล้วจะได้อะไรเนี่ยยิ่งดีนะอย่างตอนไปเมืองจีนกับหลวงพ่อเขียนนะนักปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่จะเป็นคนใหม่มากๆจะไม่ค่อยรู้เรียกว่าบางทีเข้าวัดครั้งแรกก็ได้นะบางทีแค่อ่านจากอินเทอร์เน็ตก็สนใจว่ามันมีวิธีการแบบนี้เกิดขึ้นหร เราตัวเองมีปัญหาอยากจะแก้ทุกกับตัวเองก็เลยมาปฏิบัติธรรมเป็นคนที่ไม่รู้เลยนะว่าเป้าหมายของพุทธศาสนาคืออะไรเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องพุทธศาสนาเลยก็ได้นะแต่ก็มีคนเก่าอยู่บ้างเขามาปฏิบัติธรรมแบบไม่รู้อิโนโอยินเนะนะมาปฏิบัติธรรมแบบไม่รู้อิโนโอยเนแต่พอกลับไปนี่กลับรู้อิโนโอยเนเนะนะ <c oughs> พอกลับไปนี่บางทีบางคนเขามีปิติเกิดขึ้นนะ มีปิติร้องไห้อ่าเราก็ไม่รู้ร้องไห้จากสาเหตุอะไรบ้างแต่เขาก็เล่าว่าเนี่ยเขามีความทุกข์มากคิดจะฆ่าตัวตายนะเป็นเป็นเด็กสาวเลยนะเป็นนักศึกษานะคิดจะฆ่าตัวตายพอฆ่าตัวตายไม่สําเร็จก็คิดจะบวชคิดจะบวชเป็นเป็นพิสณีมั้งนะคิดจะบวชแต่ครอบครัวก็ไม่ให้บวชนะ ผมก็ยังสั้นอยู่เลยนะกึ่งโกนหัวคิดว่าไม่เกินเดือนหนึ่งสองเดือนเนี่แหละนะคิดจะบวชก็ไม่ได้ก็มาเห็นในเว็บไซต์ว่าเขามีการปฏิบททัติธรรมก็มาปฏิบัติลองดูก็ไม่รู้อะไรเท่าไหร่พอมาปฏิบัติแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาได้ชีวิตใหม่แล้วนะได้ชีวิตใหม่ชีวิตที่เคยเจอกับความทุกข์ก็ไม่รู้ทุกข์เรื่องอะไรบ้างแนละ้วแต่ทุกข์จนกระทั่งคิดจะฆ่าตัวตายนะ จงนั่งคิดจะไม่อยากอยู่ในสังคมคิดอยากจะออกมาบวชเขาบอกว่าตอนนี้เขาได้ชีวิตใหม่แล้วได้ชีวิตที่ไม่ที่เรียกว่ามีเครื่องมือที่จะไม่ทุกข์เขาบอกว่าเขาใช้คาว่าเขาได้คุณแจว่าถ้าเดินไปตรงไหนเจอทางตันนี่ได้คุณแจไขให้ใหมันไม่ตันได้ได้คุณแจไขชีวิตเขาสู่ความ สบายสุขความไม่ทุกข์ได้เขาบอกแบบนี้นะบอกไปเล่าไปก็น้ำตาซึมไปพอเราจบก็ร้องไห้ไปหน่อยหนึง่ง <c> เ <oughs> ขาก็ร้องไห้ไปเขาบอกเนี่ยดีใจมากที่ได้มาปฏิบัติธรรมเหมือนได้ชีวิตใหม่แลวเขาก็เป็นแบบนั้นจริงๆเพราะว่าสังเกตวัน แ, กแรกๆที่เขามาปฏิบัติธรรมนี่หน้าตาเขาเศร้าหมองมากนะขนาดเป็นวัยรุ่นนะแต่หน้าตาเศร้าหมอง ปฏิบัติทําไปเรื่อยสีหน้าเริ่มผ่องใสมากขึ้นในเรื่อยนะผ่องใสจนกงทั่งวันสุดท้ายนี่อ่ามันเป็นการร้องไห้ที่มีความสุขของเขานะร้องไห้ที่เขาได้รู้จักตัวเองนะแต่ก็อาจจะปนกับความเสียใจซึ่งต้องเออต้องจากจากครูบาอาจารย์ไปบ้างนะก็อาจจะมีความเสียใจนิดนึงแต่เขาก็ร้องไห้เพราะความปิติซึ่งได้เข้าใจธรรมะนะก็เกิดจากการที่ ไม่รู้อินโินเนนะนมาปฏิบัติธรรมแบบเพิ่งเคยเข้าวัดครั้งแรกอะไรแบบเนี้ น, น่ก็มาปฏิบัติธรรมหลายคนก็ได้ผลของการปฏิบัติแบบนั้นเพราะว่าใจเขาไม่ได้คาดหวังอะไรนะใจเขาไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายแค่บอกว่าแค่อยากจะมาดูวิธีการแค่อยากจะดับทุกข์ให้ตัวเองเท่านั้นไม่ได้รู้เรื่องมรรคผลนิพพานอะไรต่างๆนะไม่ได้รู้เรื่องเลยนะเขาแค่เออพอหลวงพ่อบอกให้มีสติครัง้งหนึ่ง เขาก็พยายามมีสติครั้งหนึ่งนะยกมือแบบไหนให้มีสติเขาก็เรียนแบบการยกมือนะยกมือตามเลยนะเดินแบบไหนให้มีสติเขาก็ตอนแรกใหม่ๆก็มู้ก็เดินเดินตามเป็นขบวนนะเดินเรียงแถวไปเลยนะคิดว่าต้องเดินช้าต้องเดินเร็วแบบไหนถึงจะพอดีที่จริงมันไม่ใช่อยู่ที่ท่าทางนะไม่อยู่ที่ท่าทางเรื่องการยกมือไม่อยู่ที่ท่าทางการเดิน แต่จริงถ้ามันถ้าว่าทาทางไม่เกี่ยวก็ไม่ใช่ก็มีส่วน ม, มีส่วนอยู่บ้างแต่ส่วนสำคัญที่สุดคือการวางใจการวางใจแบบไหนมันพอดีอันนั้นเป็นสิ่งซึ่งสำคัญกว่านะให้เราลองสังเกตวางใจแบบไหนนะมันไม่ตึงไม่เครียดเกินไปวางใจแบบไหนมันไม่หย่อนเกินไปหย่อนไปกับความคิดนะก็พยายามบอกบอกสิ่งเหล่านี้อยู่เรื่อยนะกันักปฏิบัติธรรมที่เป็น ในวัดก็ดีนอกวัดก็ดีพยายามดูสังเกตอันนี้การวางใจนี่สําคัญที่สุดถ้าเราวางใจเป็นนะวางใจเป็นการปฏิบัติทำก็ง่ายแต่ถ้าเราวางใจไม่เป็นนี่ปฏิบัติไปเถอะนะยากนะอะยากแล้วก็ทุกข์ด้วยแต่จริงมันก็ดีเหมือนกันนะถ้าพอเรารู้ว่าวางใจผิดแล้วมันเกิดความทุกข์มันก็จะผ่อนได้นะมันก็จะค่อยๆผ่อนเองผ่อนมามันก็จะเจอความพอดีได้นะ เหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านตัดเรื่องผินสามสายนะบางทีถ้าเราตั้งตั้งสายมันมันตึงเกินไปตึงเกินไปดีดไปแล้วเสียงมันไม่เพลเสียงมันไม่เพาะเนาะเสียงมไม่ไพลราะแล้วก็ปรับให้มันพอดีได้การวางใจของเราก็อย่าไปเอาถูกเอาผิดกับมันมากนักนะบางทีมันจะตึงเกินไปก็ถือว่าดืมไปซะเออตึงเกินไปแต่ก็ปรับมาได้อย่าไปโทษตัวเองว่าตึงเกินไปบางคนนะ เออปฏิบัติธรรมไปบางคนติดสมถะมากติดสมถะมากพอเราไปช่วยบอกว่าเออนี่ยมันติดสมถะมากกันนะเ อ, อช่วยคล้ายๆทําให้ผ่อนคลายไปสักหน่อยก็ได้นะแต่บางทีใจมันก็ไม่ยอมรับมันก็ไม่ผ่อนสักทีนะแต่พอเริ่มผ่อนมาพอดีแล้วกลับไปโทษตัวเองโอ้เราเสียเวลาอุตส่าห์ทำสมถะมาตั้งเป็นเดือนเป็นปีเสียเวลาที่จริงไม่ใช่เป็นการเสียเวลานะแต่เป็นการให้รู้ พอรู้ว่าตัวเองหลงผิดไปแล้วเนี่ยมันจําได้ดีนะมันจําได้ดีมันไม่ลืมเออไม่กลับไปหลงผิดอีกแล้วนะอันนี้ก็บอกบอกพวกเราไว้ให้เป็นแนวทางว่าไอ้สิ่งที่เป็นประสบการณ์ในชีวิตของเราจะถูกก็ดีจะผิดก็ดีเป็นประสบการณ์ทั้งหมดแต่พอเดินถูกแล้วก็จําสติที่มันถูกให้มันได้แล้วก็ค่อยๆเดินไปจําสติที่มันเกิดขึ้นจริงๆให้มันได้แมันก็จะมีสติเกิดขึ้นจริงได้บ่อยขึ้นเรื่อยๆ สติที่เกิดขึ้นจริงก pues ็คือสติที่เกิดจากจิตที่มันเบาสบายเกิดจากจิตที่มันไม่ไม่อยากเอาแต่พอเมื on ่อไม่อยากเอามันกลับได้ของเขาเองนะก็ให้เราได้ตั้งใจฝึกหัดขัดเกลียดตัวเองในปรรษานี้ในชาตินี้ไปเรื่อยไม่ประมาทการไม่ประมาทในการใช้ชีวิตก็คือการมีสตินี่แหละนะมีสติอยู่บ่อยๆคือการไม่ประมาทแต่ถ้าเราไม่มีสติก็คือ เราประมาทแล้วในชีวิตนะประมาทแล้วถ้าประมาทถ้าเพิใดประมาทอยู่ก็เรียกว่าถ้าสิ้นลมหายใจไปในขนาดนั้นก็มีโอกาสไปสู่อบายภูมิได้ง่ายแต่ถ้าเราฝึกสติเรื่อยๆถ้าเมื่อไหร่มันจะถึงมรรคผลนิพพานอาจจะไม่ใช่ในปัจจุบันในชาตินี้มันก็จะเป็นส่งผลกระทบต่อไปในพบชาติใหม่ขึ้นพบ ชาติใหม่ไปเรื่อ ย, อยก็ได้นะไม่ต้องไปไม่ต้องไปคาดคั้นตัวเองเกินไปแต่ให้ปฏิบัติไปเรื่อ ย, อยนะก็คงพอสมควรนะญาติโยมก็จะได้รับสินอุโบสถต่อไป